วันนี้เป็นวันเสาร์ที่13เมษายนพุทธศักราช2567เป็นวันสงกรานต์เป็นปีใหม่ของไทยชาวไทยที่เป็นชาวพุทธจะมีธรรมเนียมประเพณีเข้าวัดเพื่อทำบุญกัน เพราะมีความเชื่อในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าบุญนี้เป็นเหตุที่จะนำความสุขมาให้แกบใจนำความเจริญมาให้กับใจนำใจไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ชาวไทยเราจึงมีรมเนียมทำบุญกันอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเวลาใดวันที่สำคัญต่างๆก็มักจะมีการทำบุญเพื่อสร้างความสุขให้กับใจและสะสมบุญที่จะพาใจไปสู่สวรรค์ ต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วบุญในพระพุทธศาสนาการทำบุญในพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าสรงสอนไว้มีหลายวิธีด้วยกันมีประมาณสิบวิธีเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบประการ วิธีทำบุญนี้มีหลายวิธีแล้วก็มีผลต่างกันมากน้อยแต่ก็มีความสำคัญแล้วทำตามวาลข์ทำทำตามเหตุการณ์บุญที่ทรงสอนให้เราทำกันข้อที่หนึ่ง ก็คือบุญที่เกิดจาการรการฟังเทศน์ฟังธรรมการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้จะทำให้เกิดบุญคือความสุขใจในขณะที่เราได้ฟังธรรมกันเวลาฟังธรรมเราก็จะได้ฟังวิธีการทำบุญต่างๆมีอยู่สิบประการด้วยกันและ ทำเวลาฟังธรรมเวลาแสดงธรรมท่านก็จะอธิบายถึงอ น, นิสง์ของผลบุญที่จะเกิดขึ้นว่าจะได้อะไรจากการทำบุญทาทานทำบุญทาทานแล้วจะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้เวียนว่ายตายเกิดในพบที่ดีที่เรียกว่าพบสุคติสุคติพบ หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเรามักจะอขอให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้ไปสู่สุคติกันแต่การขอนี้ยังไม่สามารถที่จะส่งให้ดวงวิญญาณนี้ไปสู่สุคติได้การที่จะทำให้วิญญาณของพวกเราที่เวลาร่างกายนี้ตายไปแล้ว ไปสู่สุคติก็ต้องมีการทำบุญนี่แหละบุญเป็นเหตุที่จะพาให้ดวงวิญญาณหลังจากที่แยกจากร่างกายแล้วได้ไปสู่สุคติได้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆมีสวรรค์ตั้งแต่ชั้นเทพแล้วก็ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหม แล้วก็ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพระอริยะบุคคลสวรรค์ชั้นพระนิพพานนี่คือสวรรค์ชั้นต่างๆความเจริญของจิตใจในระดับต่างๆที่เกิดจากการทําบุญต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ชาวพุทธเราหมั่นทํากันอย่างสม่ําเสมอจากขั้นต่ําไปสู่ขั้นสูง จากขันง่ายไปสู่ขั้นยากตามกําลังของความสามารถของผู้ที่มีจิตศรัทธาที่จะสามารถที่จะพัฒนากําลังความสามารถในการทําบุญให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยเื่เริ่มต้นการทําบุญจะเริ่มต้นด้วยการสิ่งวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ การฟังเทศฟังธรรมนี่การฟังเท ศ, รรมเเทศหมายถึงการศึกษาเรียนรู้คําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยโดยเฉพาะวิธีการทําบุญต่างๆนี่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมหรือถ้าไม่ได้อ่านหนังสือธรรมะเราจะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทําบุญกี่ชนิดด้วยกัน กี่แบบด้วยกันแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมเช่นวันนี้เราก็จะได้มาฟังเรื่องวิธีทำบุญสิบชนิดด้วยกันเริ่มต้นด้วยการฟังเทศฟังธรรมเป็นชนิดที่หนึ่งอริสงของการฟังธรรมนี้ก็มีอยู่ห้าประการด้วยกันคือหนึ่งเราจะได้ยินได้ฟังธรรม ที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเช่นเราอาจจะไม่ได้ยินเรื่องของบุญสิบชนิดที่ที่พระเจ้าทรงสอนให้เราทํากันแต่พอเราได้ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้ยินเช่นวันนี้เราก็จะได้ยินเรื่องการทําบุญสิบชนิดด้วยกันว่าทําอย่างไรบ้างนี่คือสิ่งที่เราจะได้จากการฟังธรรม คือจะได้ยินได้ฟังทาที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองทาที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วถ้าเราได้ฟังซ้าอีกมันก็จะทําให้เกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลาดับจะทําให้กาจัดความสงสัยต่างๆได้เช่นความสงสัยว่า บุญนี้มีจริงหรือไม่บุญเป็นเหตุที่จะส่งให้จิตใจไปสวรรค์หรือไม่อันนี้จะไม่สงสัยถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆเพราะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็จะสอนให้ทาบุญกันอยู่เรื่อยนั่นเองทาบุญการทำบุญเป็นเหตุผลก็คือการได้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆที่จะตามมาต่อไป นี่คือประโยชน์ที่ได้จากการฟังธรรมข้อที่สามคือกำจัดความนั่งเลงสงสัยในเรื่องบุญเรื่องบาป<ม>เรื่องนาลกเรื่องสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด<ม>ถ้าเราได้ยินใน้ฟังแล้วเราก็จะได้รู้ว่าดวงวิญญาณของเรานี้ยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปตายแล้วไม่ได้ศูนย์ ตายแา้จะต้องไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่เวลาตายไปถ้าบุญมีมากกว่าบาปบุญก็จะเป็นผู้ดึงใจไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆถ้าบาปมีมากกว่าบุญบาปก็จะดึงไปสู่อบายไปสู่การไปเป็นเลระชานเป็นเปรต เป็นอสุรกายไปตกนรกบุญกับบาปนี้เป็นเหมือนวัวสองตัวที่จะลากเกวียนไปทางใดทางหนึ่งวัวตัวหนึ่งจะผูกไว้ที่หน้าเกวียนวัวอีกตัวหนึ่งจะผูกไว้ที่หลังเกวียนวัวสองตัวนี้ก็จะพยายามดึงเกวียนไปในทางของของของวัวถ้าวัวที่อยู่หน้าเกวียน มีกำลังมากกว่าก็จะดึงเกวียนไปทางด้านหน้าถ้าวัวที่อยู่ด้านหลังของเกวียนมีกำลังมากกว่าก็จะดึงเกวียนไปทางข้างหลังฉันใดดวงวิญญาณของพวกเราก็เป็นเหมือนเกวียนที่จะมีบุญและบาปเป็นผู้คอยดึงไปในทิศใดทิศหนึ่งถ้าบุญมีกำลังมากกว่า บุญก็จะหนึ่งดวงวิญญาณไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบาปก็จะหนึ่งเวนดวงวิญญาณไปสู่อบายชั้นต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าและพระอาริยสงสาวกทั้งหลายได้เรียนรู้ได้สำเร็จได้บรรลุถึงได้เห็นอย่างชัดเจนว่าบุญนี้มีจริงบาปนี้มีจริงทำบุญแล้ว ก็จะไปสวรรค์สวรสวรค์มีจริงนรกอบายมีจริงนะการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงเพราะหลังจากที่ดวงวิญญาณได้ไปรับผลบุญหรือผลบาปแล้ว <het ant> ดวงวิญญาณก็จะกลับมาเกิดมามีร่างกายอันใหม่ต่อไปพอสาเหตุที่พาให้ร่างกายพาให้ดวงวิญ ญ, ญาณมาเกิดใหม่มามีร่างกายอันใหม่ ก็คือกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในดวงวิญญาณนั่นเองกิเลสตัณหาก็คือความอยากต่างๆความอยากที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้เป็นเหตุที่จะพาให้เราต้องกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆมีอยู่สามประการด้วยกันเหตุที่จะพาให้ดวงวิญญาณของเรากลับมามีร่างกายมามาเกาะติดกับร่างกายอันใหม่ ก็คือความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกดลิ่นรสผลทพะที่เรียกว่ากามตัณหาความอยากอยากเสพกามกามคุณห้ากามคุณห้าก็ได้แก่รูปเสียงกดลิ่นรสผลทพะพวกเราทุกคนคงไม่ปฏิเสธกันว่าทุกคนพวกเรานั้นอยากเสพรูปเสียงกดลิ่นรสกันทั้งนั้นอยากดูรูปสวยๆงา ม, งาม อยากดูรูปที่แปลกหูแปลกตาอยากได้ยินได้ได้ยินเสียงที่ไพเราะเพราะเพลงอยากจะกิมรสที่อออร่อยอยากจะดมกลิ่นที่หอมอยากจะสัมผัสกับสิ่งที่มากระทบที่ร่างกายที่นุ่มนวลที่ให้ความสุข <c oughs> อันนี้เป็นเหตุที่พาให้พวกเราต้องมามีร่างกายกัน เพราะการจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลพพะชนิดต่างๆได้เราจำเป็นที่จะต้องมีตาหูจมูกนิ้นกายเป็นเครื่องมือนั่นเองดวงวิญญาณนี้ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายแต่ดวงวิญญาณนี้มีความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลตภะดวงวิญญาณนี้เลยจำเป็นที่จะต้องไปมีร่างกายไปหาร่างกายเหมือนกับสมัยนี้ เราต้องการที่จะติดต่อกับคนนั้นคนนี้เราก็ต้องมีโทรศัพท์มือถือกันถ้าเราไม่มีโทรศัพท์มือถือเราก็จะไม่สามารถที่จะติดต่อกับคนนั้นคนนี้ได้ถ้าเรามีความอยากที่จะติดต่อกับคนนั้นคนนี้รับประกันได้ว่าเราจะต้องไปซื้อโทรศัพท์มือถือกันทุกคนพอเมื่อมีโทรศัพท์มือถือแล้ว เราก็จะสามารถติดต่อกับบุคคลต่างๆได้เพราะบุคคลต่างๆเขาก็มีโทรศัพท์มือถือเหมือนเรานั่นเองอันนี้ก็เช่นเดียวกันการที่เราต้องมามีร่างกายกันอยู่เรื่อยๆก็เพราะว่าเรายังเรามีความอยากที่จะใช้ตาหูจมูกลิ้นการของร่างกายเป็นเครื่องมือในการพาเราไป สัมผัสไปเสกกับรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพัสชนิดต่างๆนั่นเอง mm hmm. เพราะว่าเวลาที่เราไม่ได้เสกรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพัส mm hmm. เราจะรู้สึกเหงารู้สึกเศร้าซ้อยหงอยเหงาว้าเวยรู้สึกว่าเราขาด mm hmm. ความสุขไม่มีความสุขแต่เวลาที่เราได้เสกรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพัส ท, ที่เราชอบ mm hmm. เราก็จะเกิดความรู้สึกมีความสุข ข, ขึ้นมา จนกลายเป็นเหมือนกับการติดยาเสพติดไปเ ร, เราต้องคอยหารูปเสียงกลิ่นรสผลพระมาเสพอยู่เรื่อยๆเราจึงจาเป็นต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือถ้าเกิดร่างกายของเราตายไปเมื่อไหร่เราก็จะต้องไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปแต่ก่อนที่เราจะมีโอกาสที่จะไปหาร่างกายอันใหม่ได้ เราต้องพ้ น, พ น, พ น, พนอำนาจของบุญของบาปก่อนคือเราต้องไปรับผลบุญของบาปก่อนหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วดวงวิญญาณของเราจะต้องไปรับวิบากที่เกิดจากบุญหรือบาปขึ้นอยู่กับว่าบาหรือบุญมีอันไหนมีกําลังมากกว่ากันเราก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปถ้าบุญมากกว่าเราก็จะไป อยู่ในสวรรค์ก่อนจนกว่าบุญหมดกําลังไม่สามารถดึงให้เราไปอยู่ในสวรรค์ได้แต่ก็บาปก็ไม่สามารถดึงให้ไปอยู่ในอบายได้เพราะจะมีช่วงหนึ่งที่บุญและบาปที่มีอยู่ในดวงวิญญาณของเรานี้มันมีกําลังเท่ากันพ mm. อมันมีกําลังเท่ากันบุญก็ดึงไปสวรรค์ไม่ได้บาปก็ดึงไปอบายไม่ได้ ก็เหลือแต่ความอยากที่ยังมีอยู่ในใจที่จะที่จะมีกำลังที่จะดึงให้ใจไปมีร่างกายอันใหม่นั่นเองไปเกิดใหม่ไปเกิดเพื่อที่จะได้มีร่างกายที่มาเอามาใช้ในการหาความสุขจากความอยากในรูปเสียงกลิธธ่นรสทุตภะนะความอยากมีอยากเป็น คือความอยากได้ลาบยศสรรเสริญสุขนี่เรียกว่าความอยากมีอยากเป็นอยากได้ลาบอยากได้ยศอยากได้สรรเสริญอยากได้ความสุขจากการเสพสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพะชนิดต่างๆแล้วก็มีความอยากอีกชนิดนึงคือความอยากไม่มีคือความอยากไม่สูญเสียลาบยศสรรเสริญสุขที่เราหามาได้กัน ราบยศสรรเสริญ ส, สุขที่เราหาไมา่ได้เราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปนานๆเพื่อที่เราจะได้อาศัยมันให้ความสุขกับเรานั่นเองความอยากทั้งสามประการนี้แหละเป็นเหตุที่พาให้เราต้องมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆแต่การเกิดนี้มันก็มีปัญหาตามมาเช่นเดียวกันก็คือร่างกายมันเป็นของไม่เที่ยง เมื่อเกิดแล้วมันก็จะต้องมีการแก่มีการเจ็บและมีการตายตามมาต่อไปและทุกครั้งที่มีความแก่มีความเจ็บมีความตายก็จะมีความทุกข์ใจตามมาเพราะว่าเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บและร่างกายตายนี้ร่างกายจะไม่สามารถตอบสนองความอยากของใจที่ต้องการใช้ร่างกายไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภั ความสุขจากราบยศเธะเสริญได้นั่นเองอันนี้ก็จึงกลายเป็นปัญหาใหญ่โตสําหรับผู้ที่มาเกิดกันนี่คือเรื่องราวที่เราจะได้ยินได้ฟังจากการฟังเทศฟังธรรมได้รู้จักว่าเราเป็นใครกันแน่ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือเราเป็นผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถือกับคนที่ใช้โทรศัพท์เป็นคนละคนกันฉันเดีร่างกายกับใจหรือดวงวิญญาณที่มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือก็เป็นเช่นเดียวกันใจกับร่างกายเป็นคนละคนกันเราเป็นใจเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งผู้ใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆตามความอยากของเราแล้วเราก็เป็นผู้ที่จะรับความทุกข์ เวลาที่ร่างกายไม่สามารถที่จะตอบสนองตันหาความอยากของเราได้ความทุกข์ก็เกิดจากความที่มีความอยากแล้วไม่สามารถทำตามความอยากได้หรือได้สิ่งที่อยากได้มานั่นเองอันนี้ก็เป็นปัญหาของการที่เรามีความอยากต่างๆและเป็นตัวความอยากนี้เป็นตัวเหตุที่ ทำให้มีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆดังนั้นเมื่อเราฟังเทศทางธรรมแล้วเราก็จะได้ไม่สงสัยว่าตายแล้วสูญหรือตายแล้วไปเกิดใหม่ตามหลักธรรมที่พระเจ้าได้ทรงตัดสรูุ้แล้วตามความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นแล้วพระเจ้าบอกว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นดวงจิตดวงใจที่จะเป็นดวงวิญญาณต่อไป ที่จะต้องไปเกิดใหม่ไปรับร่างกายใหม่และก่อนที่จะไปได้ร่างกายใหม่เราก็จะต้องไปรับผลบุญผลญบาปในสวรรค์หรือในอบายก่อนไปไปสุขคติหรือไปทุกขคติสุขคติก็สวรรค์ชั้นต่างๆมีสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นพระอริยเจ้าสวรรค์พระนิพพา น, านเป็น เป็นสถานที่ที่มีแต่ความสุขมากกว่าความทุกข์เรียกว่าสุขกติแต่ถ้าเราทำบาปบ่อยมากกว่าทําบุญบาปก็จะดึงให้เราไปไปไปอบายไปเกิดเป็นสัตว์ในละฉานไปเป็นเปรตเป็นปนศรกายไปตกนรกกันอันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังเวลาเรามาฟังเทศฟังธรรมกัน เราก็จะได้ไม่สงสัยว่าบาปมีจริงหรือไม่บุญมีจริงหรือไม่สวรรค์ที่เป็นผลของบุญและบาปที่เป็นเป็นผลของบาปนี้มีจริงหรือไม่อบายมีจริงหรือไม่นรกมีจริงหรือไม่การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่สิ่งเหล่านี้จะเราจะไม่สงสัยต่อไปและเราก็จะเราเเราจะได้รู้ว่า การไปที่ไหนดีการที่ไปที่ไหนไม่ดีการไปสวรรค์ดีเพราะไปสวรรค์แล้วไปรับความสุขแต่การกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยนี้ไม่ดีเพราะทุกครั้งที่เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะต้องแก่เจ็บตายเราต้องจะเจอความทุกข์ของความแก่เจ็บตายและการไปอบายก็ไม่ดีการไปอบายก็คือเกิดจากการทำบาสนี่ หลังจากที่เราฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็จะหายสงสัยแล้วเราก็จะมีความเห็นที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็เห็นว่านารกมีจริงสวรรค์มีจริงบาปเป็นเหตุที่จะส่งให้เราไปสวรรค์บาปเป็นเหตุที่จะส่งให้เราไปอบายไปนรกบุญเป็นเหตุที่จะส่งให้เราไปสวรรค์ไปนิพพาน การที่เราจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อไปนิพพานได้เราก็ต้องหยุดความอยากที่มีอยู่ในใจของเราเพราะความอยากที่มีอยู่ในใจของเรานี่แหละเป็นเหตุที่พาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าเราอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดกันเราก็ต้องหยุดความอยากให้ได้ในการจะหยุดความอยากให้ได้เราก็ต้องมีการทาบุญชนิดต่างๆนี่ göster. นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับ จากการที่เราฟังเทศฟังธรรมได้ประโยชน์ได้แล้วประโยชน์ข้อสุดท้ายจากการฟังเทศฟังธรรมก็คือเวลาฟังเทศฟังธรรมแล้วใจเราจะมีความสงบเย็ยนเป็นสุขอยากจะหาความสุขไม่ต้องไปทาอะไรไม่ต้องไปดูหนังฟังเพลงไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอยู่บ้านเฉยๆก็มีความสุขได้เพียงเปิดธรรมะฟังเท่านั้นเอง ถ้าฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยอาจยัยที่จดจอ่อไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเราก็จะได้อนิสง์ทั้งห้าข้ อ, อนีน้อย่างแน่นอนจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนธรรมที่เราเคยได้ยินแล้วเมื่อเราฟังอีกเราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับจะทำให้เราหาหายสงสัยในในเรื่องราวต่างๆได้และสี่จะทาให้เรามีความเห็นที่ถูกต้อง จะทำให้เรามีจิตสงบผ่องใสมีความสุขนี่คือวิธีการทำบุญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราทำกันข้อที่หนึ่งก็คือให้เราฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆข้อที่สองบุญที่เราที่จะเกิดจากการมีที่จะทำให้เกิดมีความสุข จะมีบุญขึ้นมาคือการมีความเห็นที่ถูกต้องนี่เองการเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงแต่เมื่อว่าเราอาจจะไม่มีโอกาสได้เคยฟังเทศฟังธรรมมาก่อนเช่นเราเป็นคนชาวต่างชาติเนี่ยช่วงนี้เรามีชาวต่างชาติมามาประเทศเรามาศึกษาธรรมม า, มาปฏิบัติธรรมกันมากเพราะว่าเขาอาจจะมีความเห็นที่ถูกต้องในใจของเขาอยู่แล้ว S <S an <stal> an> เขาเห็นเขาเชื่อว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริง <S <S an <stal> an> การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงเขาเชื่อสิ่งเหล่านี้แสดงว่าเขามีความเห็นที่ถูกต้องเมื่อเขามีวมเห็นที่ถูกต้องเขาก็อยากจะปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะพาให้เขาได้ไปสู่สุคติกันแล้วก็ให้เขาได้ไปพานิพานกัน แล้วเขาก็รู้ว่าไม่มีที่ไหนในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับประเทศไทยประเทศไทยนี้มีวัดมีสถานที่ปฏิบัติธรรมมากมายต่างกับประเทศของเขาที่ไม่มีสถานที่ปฏิบัติธรรมเลยหรือมีก็มีเพียงปะปลายที่สองที่ในแต่ละเมืองเท่านั้นเองแต่จะไม่มีแบบของประเทศไทยมีมากมายมีสถานที่มากมายมีผู้ปฏิบัติธรรมมากมาย แม่มีครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้คอยสั่งสอนมากมาย mm hmm. เขาเลยเลือกที่จะเดินทางมาประเทศไทยกันต่างกับคนไทยเราแทนที่จะไปอยู่ประเทศไทยเพื่อไปหาสถานที่ปฏิบัติธรรมเรากับถูกกิเลสตัณหาความอยากเที่ยวอยากดูของแปล ก, ปกใหม่ๆหลอกให้เราไปเที่ยวต่างประเทศกัน mm hmm. เนี่ยมันสวนทางกัน คนที่มาประเทศไทยชาวต่างชาติที่มาประเทศไทยที่มาหาวัดวามาสถานที่ปฏิบัตินี้เรียกว่าเป็นพวกที่มีสัมมาทิฐิมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าสถานประเทศไทยนี้เป็นเทศประเทศที่เป็นที่สร้างธรรมะเป็นที่เจริญธรรมะเป็นที่ปฏิบัติเพราะมีทั้งสถานที่ที่เหมาะสมที่สงบและมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้สั่งผู้สอนอยู่ เขามีสัมมาทิฏฐิส่วนคนไทยเราที่ไปต่างประเทศนี้ไปเที่ยวกันนี้เป็นพวกที่มีมิจฉาทิฏฐิพอไปคิดว่าการไปเที่ยวนี้จะให้มิทำให้เกิดความสุขแต่เขาไม่รู้ว่าความสุขที่ได้เขาจากการไปเที่ยวนี้มันเป็นความสุขแบบยาเสพติดเที่ยวแล้วมันจะติดแล้วเวลาไม่ได้เที่ยวมันจะทุกข์อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เขาจะต้องเจอกันต่อไปพวกที่ชอบเที่ยว เดี๋ยวต่อไปวันใดวันหนึ่งก็จะเที่ยวไม่ได้อยากจะเที่ยวก็เที่ยวไม่ได้อาจจะไม่มีเงินเที่ยวก็ได้ไม่มีเงินเที่ยวก็ทุกข์นะหรือถ้ามีเงินเที่ยวแต่ร่างกายมันไม่ไหวแล้วร่างกายเป็นไม่สบายเป็นโรคนั้นโรคนี้เป็นอมาพเป็นอมภะไม่อยากจะไปไหนแล้วอยากจะนอนกับเตียงอย่างเดียวอันนี้ตอนนั้นก็จะเจอกับความทุกข์ แต่พวกที่ทำบุญทำทานนี้จะไม่เกิดความนู้สึกทุกข์แต่อย่างใดเพราะเขาไม่มีความอยากไปเที่ยวเขาอยากจะทำบุญบุญนี้จะไม่เป็นสิ่งที่ทำให้เขาทุกข์เวลาที่เขาไม่ได้ทำบุญเพราะว่าบุญที่ได้ทำไว้มันจะทำให้ใจมีความสุขไปนานๆมันจะบุญมันจะหมดก็ต่อเมื่อเราร่างกายนี้ตายไปแล้วเราไปใช้บุญในสวรรค์ก่อนฉะนั้นะบุญที่เราทาถึงจะหมดได้ แต่ในขณะนี้บุญต่างๆที่เราทำในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้มันยังอยู่สะสมอยู่ในใจของเรามันยังไม่ได้เอาออกมาใช้มันจะเอาออมาใช้ตอนที่เราตายไปตอนที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วบุญนี้แหละจะเป็นผู้ที่จะมาดึงให้เราไปอยู่ในสวรรค์กันอันนี้คือการมีสัมมาทิฏฐิเป็นบุญอีกอย่างหนึง่งถ้าเราไม่มีสัมมาทิฐิเราก็ต้องฟังเทศฟังธรรม เพราะเมื่อเราฟังเทศทางธรรมแล้วเราก็จะได้มีสัมมาทิฏฐิ mm. เมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเราก็จะรู้ว่าเราควรจะทำอะไร mm. เราก็จะรู้ว่าเราต้องทำบุญกันถ้าเราอยากจะมีความสุขถ้าเราอยากจะไปสุขสุกติหลังจากที่ร่างกายนี้เราตายไปแล้วเราก็ต้องทำบุญให้มากกว่าบาป mm. และเราก็จะต้องไม่ทำบาปพยายามลดการกระทาบาปหรือไม่ทาเลย และการกระทําบาปทั้งปวงเราก็จะต้องมีการรักษาศีลมีการทำทาน <c oughs> การทำทานก็เป็นการทำบุญ <c oughs> เพราะว่าเวลาทำทานแล้วเราก็จะได้บุญทานนี้แปลว่าการให้ให้ข้าวของเงินทองที่เราไม่อยู่ให้กับผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหรือจะให้กับผู้ที่มีพระคุณเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณก็ได้ การให้แบบนี้จะทําให้เรามีบุญขึ้นมาในใจของเรา oh. เกิดบุญขึ้นมา mm. คือเกิดความสุขใจ mm. เกิดความอิ่มใจ mm. เกิดความสบายใจ mm. แล้วมันจะทําให้เราไม่หิวโหวยกับการที่จะต้องไปหาความสุขในการเสพลูกเสียงกิน่นรสด้วยการไปกินไปดื่มไปเลี้ยงไปฉลองไปเที่ยวไปอะไรกันไปซื้อส์ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของหรูหราซื้อของแบรนด์เนมกัน เพราะความสุขแบบนั้นมันเป็นความสุขที่มีโทษตามมามันเป็นความสุขแบบยาเสพติด เ, เสพแล้วมันจะติดซื้อแล้วมันจะติดเวลาไม่มีเงินซื้อมันก็จะทุกข์อันนี้คือสิ่งที่เราจะทำกันต่อไปหลังจากที่เรามีสมมาทิทีิแล้วเราก็รู้ว่าเราต้องทำสามข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือเราต้องไม่ทำบาปไม่ทาบาป ก, ก็คือเราต้องรักษาศีลห้านี่ การรักษาศีลห้าก็เลยถือว่าเป็นการทาบุญอย่างหนึ่งเพราะเมื่อเรารักษาศีลห้าได้เราก็จะปิดประตูะบายได้เราก็จะไม่ต้องไปใช้ใช้ผลกรรมผลบาปที่เกิดจากการทําบาปนั่นเอง <c oughs> เมื่อเราไม่ทาบาปแล้วเราทาแต่บุญเราก็จะมาทําแต่บุญเราก็จะมีบุญมากกว่าบาป <c oughs> เวลาที่ร่างกายของเราตายไปแล้ว <c oughs> เราก็จะไปสู่สุขติ <c oughs> ไปสู่สวรรค์ชั้นต่าง ชั้นเทพ<ม>การทํามุญทําทานรักษาศีลห้านี้ <c oughs> ก็จะทําให้เราได้ไปสู่ <c oughs> สวรรค์ชั้นเทพ<ม>เพราะว่าเราจะไม่มไม่ต้องไปไปไปอบายเพราะเราไม่ได้ทําบาป <c oughs> หรืออาจจะทําบาป บ, บ้างเพราะบางครั้งเรา <c oughs> บางคราวเราอาจจะพังเพล่ได้ <c oughs> หรือไม่มีกําลังที่จะสู้กับอํานาจขอ ง, <c oughs> ข, องของโมหะโทสะได้ ก็บางครั้งก็อาจจะรู้แก่โมหะรู yes ้แก่โทสะรู้กัรู้แก่โลภะก็อาจจะไปทําบาปได้บ้างแต่ถ้าเรามีการรักษาศีลมีการพยายามที่จะไม่ทําบาปอยู่เรื่อยๆการทําบาปก็จะไม่มากแล้วถ้าเราทําบุญด้วยอย่างต่อเนื่องทําบุญอย่างสม่ําเสมอบุญก็จะมีมากกว่าบาปเวลาที่เราตายไปเราก็จะไปสู่สุคติ อันนี้ก็คือ <c oughs> บุญที่เกิดจากการ <c oughs> บุญที่เกิดจากการทําทานและเกิดจากการรักษาศีล <c oughs> แล้วถ้าเราอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิด <c oughs> คือเราไม่ต้องกลับ <c oughs> อยากจะกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะทุกครั้งที่เรากลับมาเกิดนี่ <c oughs> เราจะต้อง <c oughs> เราจะต้องทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายอยู่เรื่อยๆ ทุกข์กับการพลาดพลาดจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารักทุกข์กับการที่เราจะต้องเจอกับคนที่เราไม่ชอบเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบ <S 1> <S 1> แต่ถ้าเราไม่มาเกิดเราก็จะไม่ต้องมาเจอกับความทุกข์เหล่านี้และการที่เราจะไม่กลับมาเกิดได้ <S 1> <S 1> เราก็ต้องทําบุญอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าการบําเพ็ญจิตตภาวนานการภาวนา <S 1> <S 1> <S การภาวนานี้จะเป็นการซักพอกจิตใจ สักพอกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปเมื่อ <c oughs> ถ้าเราสามารถภาวนา <c oughs> ครบตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกําหนดไว้ให้ทำแล้วเราก็จะสามารถที่จะชาระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์กาจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่พาให้เรา มาเวียนไหวตายเกิดนี้หมดสิ้นไปได้เพราะเหตุที่พาให้เรามาเวียนไหวตายเกิดหมดสิ้นไปการเวียนไหวตายเกิดก็จะไม่มีตามายต่อไปและวิธีการภาวนานี้จะต้องทําอย่างไรบ้างการภาวนานี้ก็มีแบ่งไว้เป็นสองระดับด้วยกันการซักฟอกจิตใจระดับที่หนึ่งเรียกว่าสมถตาภาวนา การซักพอกจิตใจระดับที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนา<ม>การจะซักพอกจิตใจนี้ต้องซักพอกขั้นที่หนึ่งก่อนซักพอกด้วยการทำใจให้สงบ<ม>เวลาใจสงบเรียกว่าสมถะภาวนาการทำใจให้สงบเรียกว่าเรียกว่าสมถะภาวนาเวลาใจสงบนี้กิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองต่างๆจะสงบตัวลงชั่วคราว ซักักพ่อแบบชั่วคราวก่อนหยุดกำหยุดกลังของกิเลสตัณหาไม่ให้ทางานเวลาจิตใจสงบเป็นสมาธินี้จิตใจจะเกิดความสุขขึ้นมาเพราะว่าความวุ่นวายใจความทุกข์ใจที่เกิดจากกิเลสตัณหาความโลดความโกรธความหลงนี้มันจะหยุดทำงานชั่วคราวกิเลสตัณหาจะทำงานได้ต่อเมื่อจิตใจไม่สงบถ้าจิตใจสงบนิ่ง กิเลสตัณหาทํางานไม่ได้พอกิเลสตัณหาทํางานไม่ได้ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่เกิดจากกิเลสตัณหาก็จะหายไปในยุนี้เป็นการซักพอกขั้นที่หนึ่งซักพอกแบบชั่วคราวซักพอกโดยทําใจให้สงบให้อยู่ในสมาธิแต่การอยู่ในสมาธินี้ก็อยู่ไม่ได้ตลอดเวลาอยู่ได้สักระยะหนึ่งก็ต้องถ้อออกมาจากสมาธิเพราะว่าใจยังเกี่ยวข้องกับร่างกายอยู่ ยังต้องมาดูแลร่างกายร่างกายก็นั่งนานๆก็ต้องรู้สึกปวดเมื่อยก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถลุกมาเดิน่ะลุกมายืนม า, มานอนมามีการเปลี่ยนอิริยาบถและร่างกายก็ต้องมีการขับถ่ายต้องมีการดื่มมีการรับประทานฉั้นจะอยู่ในสมาธิตลอด24ชั่วโมงนี้เป็นไปไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมีเวลาออกมาดูแลร่างกายสลับกันไป ช่วงเวลาที่ออกมาก็ต้องมีความคิดจิตก็ต้องมีการทํางานมีการเคลื่อนไหวเพอจิตมีการเคลื่อนไหวมีการคิดมีการทํางานกิเลสตัณหามันก็จะโผล่ตามขึ้นมาทันทีพอคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เกิดความอยากขึ้นมาพอเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เกิดความอยากขึ้นมาอยากดูอยากฟังขึ้นมาพอคิดถึงสถานที่นั้นที่นี้ก็อยากจะไปขึ้นมาทันทีอันนี้กิเลสตัณหามันก็จะออกมาคอย ดึงให้จิตใจไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายถ้าเราออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเราก็จะต้องเจอกับความทุกข์ต่อไปเพราะว่ามันเป็นความสุขที่ไม่อิ่มไม่พอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอต้องหาไปเรื่อยๆจนมันตายและหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วก็จะไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะมาหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายต่อไป วิธีที่เราจะไม่ไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย <c oughs> เวลาที่เราออกจากสมาธิมานี่เราก็ต้องสอนใจด้วยปัญญาว่าการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะนำพาไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ <c oughs> ถ้าเราไม่อยากจะไปเกิดแก่เจ็บตายเราต้องไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย <c oughs> เราก็ต้องฝืนความอยากนี้ อยากดูก็ไม่ดูอยากฟังก็ไม่ฟังอยากกินก็ไม่กินถ้ายังไม่ถึงเวลากินอยากดื่มก็ไม่ดืม่มถ้าไม่มีความจําเป็นจะต้องดืม่มกินได้ดื่มได้เพื่อเลี้ยงดูร่างกายรักษาร่างกายแต่ไม่กินไม่ดืม่มตามความอยากต่างๆ <S <S อันนี้เราต้องฝืนใจให้ได้ฝืนความอยากให้ได้และการที่เราจะฝืนความอยากได้เราก็ต้องมีความสงบจากการฝึกสมถะภ า, าวนา คือการฝุกสตินั่งสมาธินั่งเองนี่คือการภาวนาเพื่อชำระจิตใจให้สะอาดโอยสุดฉะนั้นสิ่งแรกที่เราทำสิ่งที่เราต้องทำในการภาวนาก็คือการเจริญสติการฝุกสติ <c oughs> เพราะเราต้องมีสติมาหยุดความคิดต่างๆหยุดการทำงานของจิตให้จิตเนื่งสงบเป็นสมาธิจิตต้องมีสติคอยหยุดความคิด สตินี่ก็เปรียบเทียบกับรถยนต์ก็เป็นเหมือนเบรกของรถยนต์เวลาที่เราขับรถยนต์นี้ถ้าเราต้องจอดรถยนต์เราก็ต้องเหยียบเบรกกันถ้าไม่มีเบรกรถก็จะไม่จอดรวก็จะวิ่งไปชนรถคันอื่นได้ฉันใดจิตของเราก็เช่นเดียวกันจิตของเราถ้าเราอยากจะให้จิตเราสงบนิ่งไม่คิดปรุงแต่งจิตเราก็ต้องมีเบรกหยุดมัน เด็กที่จะหยุดจิตได้นี้ก็เรียกว่าสติสติคือคืออะไรก็คือการระลึกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระลึกเรื่องอยู่กับเรื่องที่จะผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆสิ่งที่เราต้องมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนี้เราเรียกว่ากรรมฐานอารมณ์ที่เราจะใช้ในการผูกใจไว้ ไม่ให้ใจลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้นั่นเองอเราต้องมีกรรมฐานเป็นกรรมฐานนี่ก็เปลี่ยนเหมือนกับเป็นเสาเวลาที่เราจะให้สัตว์เลี้ยงของเราเช่นสุนัขไม่ไปเพ่นพ่านที่ไหนเราก็ต้องจับสัตว์เลี้ยงมาผูกมัดไว้กับเสาอเอาเชือกมาผูกไว้ที่คอของสัตว์แล้วก็ปลายเชือกก้ามาผูกไว้กับเสาพอเชือกมี ผูกมีที่ยึดเดียวแล้วสัตว์เลี้ยงเช่นสุนักมันก็จะไปไหนไม่ไปไหนมาไหนไม่ได้ใจเราก็เป็นเหมือนสุนักเนี่ยมันชอบไปนู่นมานี่ชอบเพ่นพ่านอยู่เรื่อยถ้าเราอยากจะให้มันนิ่งให้มันอยู่กับที่เราก็ต้องมีเสามีเชือกผูกมันไว้เสาและเชือกนี้ก็คือสติกับกรรมฐานนี่สติเป็นเหมือนเชือกกรรมฐานคืออารมณ์ที่เราจะใช้ในการผูก ผูกเชือเพื่อดึงจิตไม่ให้ลอยไปลอยมานี้เรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานที่เราใช้กันในการปฏิบัตินี้เราจะมีอยู่สองอันใหญ่ๆที่เราใช้กันบ่อยๆใช้กันทั่วไปก็คือพุทธานุสติก็คือการให้เราเราลิกถึงพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าเรียกว่าตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเราก็พุทธโธพุทธโธไปถ้าเรามีพุทธโธพุทธโธ โอกาสที่เราจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะยากเป็นไปไม่ได้เพราะเราจะไม่สามารถคิดเรื่องสองเรื่องพร้อมๆกันได้ถ้าเราอยู่กับพุทโธพุทโธเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ได้ถ้าเรายังไปคิดได้อยู่ก็แสดงว่าพุทโธเรายังมีช่องว่างให้มันไปคิดได้เราก็ต้องพยายามฝึกสติฝึกพุทโธให้มันไม่ให้มีช่องว่างไม่ให้เผลอ ถ้าถ้าเรามีพุดโธไม่เผอแล้วความคิดต่างๆมันก็จะไปที่นั่นที่นี่ไม่ได้แล้วถ้าเราต้องการให้จิตนิ่งสงบเราก็ต้องนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆแล้วก็กําหนดพุดโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้มันไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามีพุโทโธอยู่อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวจิตก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเวลาจิตนิ่งสงบก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุข ทั้งปวงพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีถ้าเราได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วนี้เราจะเบื่อกับความสุขแบบที่เราเคยหามาก่อนเราจะเบื่อเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นเหมือนสวรรค์กับนรกดีๆนี่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นเหมือนสวรรค์ส่วนความสุขที่ได้จากการเสพลูกเสียงกิ่เลส ความสุขที่ได้จากรากยศสารเสริญนี้มันเป็นเหมือนนรกเพราะมันทำให้ใจเราวุ่นวายทำให้ใจเราเศร้าหมองทำให้ใจเราฟุ้งซ่านทำให้ใจเราไม่เป็นปกติเวลาเกิดความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งเหล่า น, นั้นแล้วหาไม่ได้มันจะทำให้ใจเราเครียดทําให้ใจเราทุกข์เป็นเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลย <c oughs> <c oughs> พอเราได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้ว เราก็จะมีเราก็จะมีกําลังที่จะต้านความอยากเวลาที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเกิดความอยากที่จะไปหาความสุขจากราบยศสารเสริญอยากจะไปหาความสุขจากลูปเสียงกลิ่นรสแล้วถ้าเรามีปัญญามีวิปัสสนาที่เห็นว่าการไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายการไปหาความสุขจากลูปเสียงจากราบยศสารเสริญนี้เป็นการไปหาความทุกข์ ทำไมถึงเป็นความทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันของไม่แน่นอนเวลาได้ก็มีความสุขเวลาไม่ได้มันก็จะเป็นความทุกข์ไปแล้วไม่มีอะไรรับประกันว่าเราจะได้เสมอไปบางครั้งเราก็ไม่ได้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ก็เสียใจคนที่อยากจะได้อย่างเด็กนักเรียนอยากจะสอบเข้ามาหาหลัยพอไม่ได้ก็เสียใจ ถ้าไม่เรามัดระวังถ้าเสียใจมากๆอาจจะถึงกับค่าตัวตายก็ได้เ<ม>พราะมันมีความทุกข์มากสําหรับคนที่อยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยาก<ม>อันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะใช้ปัญญาหรือวิปัสนากำว่าวิปัสสนาก็คือรู้แจ้งเห็นจริง <c oughs> ในความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่าอะไรทุกข์เพราะว่ามันไม่แน่นอนมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยง ทุกข์เพาะมันเป็นอนัตตามันเป็นสิ่งที่เราสั่งไม่ได้กาหนดไม่ได้เราสั่งให้มันมาหาเราไม่ได้บางทีเราต้องการมันแต่มันไม่มาหาเราก็ได้ <c oughs> พอมันไม่มาหาเรามันก็ทำให้เราทุกข์ได้ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเราก็จะไม่อยากได้<ม>เราสื้ออยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับความสุขที่ได้จากความสงบ เพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้ <c oughs> เราสามารถหาได้ตลอดเวลาเพียงแต่ให้เรามีที่มีเวลาและมีที่สงบทนั้นเองถ้าเราฝึกบ่อยๆจนทำนานต่อไปเราจะสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาเวลาอะไรที่เราต้องการความสงบความสุขจากสมาธิเราก็สามารถเข้าได้ทันทีเลย อันนี้แหละจะเป็นเหตุที่จะทําให้เราสามารถที่จะกําจัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆโมหะอวิชชาที่มีอยู่ในใจเราให้หมดสิ้นไปได้เมื่อเรากําจัดมันหมดสิ้นไปได้ใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมา <c oughs> ใจที่สะอาดบริสุทธิ์ก็จะเป็นใจที่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะใจที่สะอาดบริสุทธิ์จะเป็นใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุข เป็นใจที่มีแต่ความอิ่มความพอไม่มีความหิวไม่มีความอยากกับลูกเสียงกลิ่นรสผลตพะไม่มีความหิวไม่มีความอยากกับลาบยศสารสริญสุขแต่อย่างใดสามารถอยู่เฉยๆอยู่กับความว่างได้ความว่างนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงเพราะความว่างนี้จะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆถ้ามีอะไรแล้วมันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดแต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วมันจะเสื่อมมันจะหมดได้อย่างไร ให้เราฝึกจิตของเราให้อยู่กับความว่างให้ได้คือการไม่มีอะไรการไม่มีาลากยศสรรเสริญการไม่มีลูกเสียงกิ่นรดโหดถะพระมาให้เราเสกอยู่แบบนั้นได้อดีที่สุดประเสริฐที่สุดนี้คือวิธีอยู่ของพอระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านอยู่กับความว่างเพราะท่านว่าความว่างนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งนิ่บานังปรมังสุญังเนี่ย นิพพานก็คือความว่างจิตที่ว่างจากสิ่งต่างๆทั้งปวงจิตสามารถอยู่กับความว่างได้นิบานังปรมังสุ ข, ขังจิตที่อยู่กับความว่างได้ก็จะเป็นจิตที่มีบัลมะสุขเป็นจิตที่มีความสุขอย่างยิ่งไม่มีความสุขอันใดที่จะเหนือเท่ากับความสุขของพระนิพพานต่อให้มีเงินทองกองเท่าภูเขาก็ความสุขที่ได้จากเงินทองกองเท่าภูเขานี้ก็ซึ้กับความสุขที่ได้จาก พ่านนี้ผ่านไมได้ <Yeah. S 2> เพราะเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวลมีเงินกองเท่าภูเขา <Yeah. S 2> ก็ต้องมีความทุกข์กองเท่าภูเขามีความกังวลกองเท่าภูเขาเพราะจะต้องห่วงว่าเงินทองที่เรามีอยู่นี้มันจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆหรือเปล่า <Yeah. S 2> หรือมันจะหมดไปเมื่อไหร่ก็ไม่ได้ก็ไม่รู้วันดีคืนดีอาจจะมีใครเข้ามาขโมยไปใน <Yeah. S 2> ในบัญชีก็ได้ลบบัญชีแล้วออ ก, อากหายไปเหลือแต่ศูนย์ก็ได้ yeah. อันนี้มันจะทําสร้างความทุกข์สร้างความกมังวลใจให้กับคนที่มีเงินทองกินไม่ได้นอนไม่หลับคอยวิตกกังวลอยู่เรื่องกับทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่แต่คนที่ไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่มีอะไรมีแต่ความว่างนี้ก็จะไม่มีความกมังวลไม่มีความห่วงเลยเพราะไม่มีใครจะเอาอะไรจากความว่างไปได้จะเอาไปได้ก็ยกให้เลยอยากจะได้ความว่างก็เอาไปเลยแต่คนที่มีกินเลดนี้จะไม่ชอบความว่าง พรความว่างจะทําให้เกิดความรู้สึกว่าเหงาว้าเวเขาไม่รู้สึกคิวโหยจําเป็นที่จะต้องมีรายกยศเสริญจะต้องมีลูกเสียงกิน่นรดฉะนั้นพวกขโมยนี้เขาจะไม่ไปขโมยของของคนที่ไม่มีจะไม่ไปขโมยของจากขอทานพวกขโมย น, นี้จะไปขโมยจากคนที่มีของกันไปขโมยจากเศรษฐีคนที่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองคนที่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเลยต้องมากังวล กับการรักษาทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองดังนั้นโดยสรุปก็คือการมีอะไรมันจะมีแต่ความทุกขนะ์เพราะว่าสิ่งที่เรามีมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนมันอาจจะอยู่กับเราวันนี้ก็ได้หรืออาจจะจากเราไปวันนี้ก็ได้ไม่มีใคร Bald รับประกันได้ดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะไม่ต้องเจอกับความทุกข์จากการมีอะไรก็หัดอยู่แบบไม่มีดีกว่า ในการจะหัดอยู่แบบไม่มีได้เราก็ต้องมาทําบุญคือการทําภาวนาเนี่และก่อนที่เราจะมาภาวนาได้เราจำเป็นที่จะต้องรักษาสินแปดก่อนเพราะว่าการรักษาสินแปดนี้จะห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขจากลาบยศรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นล้นั่นเองไม่ให้เราไปเสพการถ้าถือสินแปดแล้วเราก็ไปร่วมหลับนอนกับแฟนเราไม่ได้สามีภรรยาของเราไม่ได้ เราจะรับประทานอาหารตามความอยากก็ไม่ได้รับประทานได้ก็เพียงแค่เช้าถึงเที่ยงเทนั้นเองรับประทานพอเลี้ยงร่างกายเท่านั้นก็พอไม่ให้รับประทานไม่ให้ดื่มมากเกินไปเพราะการรับประทานการดื่มตามความอยากนี้มันจะทําให้เราไม่มีเวลามามาปฏิบัติจเจริญจิตตภาวนาเราก็จะมัววุ่นตัวกับการที่จะไปหาความสุขจากการเสกกามนั่นเอง การสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือต้องเบรกต้องกัน้นต้องห้ามไม่ให้ไปเศษกลามกันไม่ให้ไปเศษ ร, รูปเิียงเกินรถ ด, ด้วยการถือศีลแปะศีปลปนี้เรียกว่าเป็นการถือใน่คมมะคำว่าน่ค ม, มะแปลว่าการออกจากกลามการออกจากออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่หาไม่หาความสุขจาก การดูมหรสพบันเทิงต่างๆในดูหนังฟังเพลงแม้แพ้แล้วไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็ไม่เสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าพรที่วิจิตรพิสดารด้วยการทําท้าทําผมด้วยการใช้น้ํามันน้ําหอมใช้เครื่องสําอางต่างๆการหาความสุขแบบนี้เป็นการหาความทุกข์เพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเวลาไม่มีมันแล้วจะรู้สึก เรารู้สึกเศร้ารู้สึกขาดอะไรงั้นอย่าไปหาความสุขแบบนี้แล้วมาหาความสุขจากความว่างกันนีกค่ะด้วยการไม่เสพเลือกเสียงกินลดแล้วก็ไม่ไม่นอนหลับมากเกินไปนอนพอพักผ่อนพอให้ร่างกายได้พักผ่อนเท่าที่ต้องการก็พอถึงธรรมดาความต้องการของร่างกายที่จะพักผ่อนหลับนอนนี้เวลาสี่ห้าชั่วโมงก็พอแต่ถ้าเรานอนบนเตียง โมโหลานเตียงสํารานเตียงที่มีผูกหนื่อนาเตียงที่มีความสุขสบายเวลาร่างกายนอนแล้วตื่นขึ้นมาใจจะไม่อยากจะลุกเพราะมันสบายก็อาจจะนอนต่ออีกสี่ห้าชั่วโมงก็เลยนอนทีแปดชั่วโมงถึงสิบชั่วโมงก็จะเสียเวลาอมีค่าที่เราจะต้องเอามาใช้กับการปฏิบัติจิตตภาวนานั่นเองอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทํากันให้ได้ก่อนที่เราจะมาเจริญจิตตภาวนาก็คือเราจะต้องมา รักษาสิ้นแตกกันให้ได้รักษาสิ้นแตกแล้วเราต้องมีเวลาว่างด้วยควรจะรักษาสิ้นแตกในวันที่เราว่างจากภารกิจการงานต่างๆเพราะการปฏิบัติจิตตภาวนาที่จะให้ได้ผลนี้จําเป็นจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องอย่างน้อยก็ยีบสี่ชั่วโมงตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนะทั้งถึงเวลาหลับไปเราต้องเอาเวลาทั้งหมดนี้มาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิ ดรวยศึกษาธรรมพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปทําภา ร, รกิจอย่างอื่นถ้าเรามาถือศีลแปแล้วเราต้องไปทํางานนี้การถือศีลแปก็ไม่มีประโยชน์อะไรมากเท่าไหร่มันอาจจะเป็นการเป็นการลําบากต่อการทํางานเสียเปล่าเพราะเวลาเราทํางานเราก็ต้องพักเที่ยงเราถึงจะกินข้าวได้ถ้าเราถือศีลแปดพอถึงเวลาเที่ยงเราก็กินไม่ได้แนะหลังเที่ยงเราก็กินไม่ได้นละ้ ดังนั้นผู้ที่จะถือศีลแปนี้ควรจะเป็นผู้ที่ว่างจากการไปทํางานทําการถ้าอยากจะรักษาศีลแปดมาปฏิบัติจิตจภาวนานี้ควรจะมาทําวันที่เราว่างจากภารกิจการงานต่างๆและถ้าเป็นไปได้ควรจะไปหาที่สงบสงัดวิเวกที่ที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาคอยยั่วยวนกวนใจถ้าเราปฏิบัติที่บ้านนี้บางทีมันก็มีสิ่งยั่วยวนกวนใจ เราปฏิบัติคนเดียวถือศีลแปดคนเดียวคนอื่งเขายังไม่ถือศีลแปดเขาถือแค่ศีลห้า 5, เขาก็ยังดูหนังฟังเพลงได้เขายังกินข้าวข้าวเย็นได้พอเขาดูหนังฟังเพลงเขากินข้าวเย็นมันก็จะทําให้ใจเรานี้เกิดความหิวโหวยเกิดความอยากต่างขึ้นมาได้อาจจะทําให้เราไม่มีกําลังจิตกําลังใจที่จะฝึกสติบริกรรมพุโทโธนั่งสมาธิได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะฝึกสติอยากจะ ปฏิบัติจิตตะภาวนานี้เราควรจะไปอยู่ที่สงบเช่นไปอยู่ตามวัดปฏิบัติต่างๆเช่นที่วัดญาณนี้ก็มีที่ปฏิบัติให้กับผู้มาปฏิบัติแล้วก็มีไม่มีการถือศีลแต่งกันทั้งวัดไม่มีมอสบันเทิงอะไรให้ดูไม่มีคนกินข้าวเย็นกันตกเย็นก็ให้เข้าโบสถไหว้พระสดวนนั่งสมาธิกันอย่างนี้แหละเป็นสถานที่ที่เหมาะสมต่อการบาเพ็ญจิตตะภาวนา ต้องเป็นสถานที่สงบสงบทางกายก่อนถ้าสงบทางกายแล้วความสงบทางใจก็จะตามมาอย่างง่ายดายเรียกว่ากายวิเวกจิตวิเวกถ้ากายวุ่นวายจิตก็จะวุ่นวายดงนั้นถ้ากายอยู่ในท่ามกลางเหตุการณ์ต่างๆสถานที่ต่างๆที่มีเรื่องวุ่นวายต่างๆการที่จะมาทำใจให้สงบได้นี้ก็จะเป็นไปได้ยากดังนั้นในการที่เราจะสร้างบุญที่เกิดจากการบาเพ็ญจิตภาวนานได้ผลนี้ เราหนึ่งจำเป็นที่จะต้องมีเวลาว่างไม่ทํางานไม่มีภารกิจอย่างอื่นต้องทําสองเราต้องมีสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกให้เราปฏิบัติสเราต้องมีความสามารถที่จะรักษาศินแตกได้ถ้าเรารักษาศินแตกไม่ได้นี้โอกาสที่จะมาบําเพ็ญจิตตภาวนานี้ก็จะมีน้อยเราจะถูก ความอยากนี้ดึงให้เราไปทำกิจอย่างอื่นไปดูหนังไปฟังเพลงไปเที่ยวตามที่สถานที่ต่างๆหรือถ้ามีงานมันเกิดงานอะไรของงานแต่งงานก็จะต้องไปทำงานเหล่านี้มันก็จะทำให้เราไม่มีเวลาที่จะมาบำเพ็ญได้ถ้าเราอยากจะต้องการที่จะเจริญจิตตภาวนาเพื่อยุติการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเราเห็นว่าการมาเกิดนี้มันเป็นทุกข์ก่แล้วมาต้องมาแก่มาเจ็บมาตาย เราก็ต้องมีความอดทนมีความกล้ า, าหาญยอมอดยอมระงับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย<ม>เพื่อที่เราจะได้เอาเวลาที่เราไปใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มาให้กับการปฏิบัติจิตตภาวนา<ม>พอเราถึงศีลแปลดได้มีสถานที่สงบปฏิบัติได้เราก็ควรจะปฏิบัติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยการปฏิบัติก็คือการจเจริญสตินี่เอง คอยควบคุมใจของเราอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ค si ิดถ um> ึงคนนั้นคนนี้ลืมตาขึ้นมาก็พุทโธเลยถ้าเราไม่พุทโธเดี๋ยวมันก็จะไปคิดพอคิดแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดความอยากต่างๆตามมาได้ฉั้นเราต้องคอยควบคุมความคิดตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธพุทโธไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธพุทโธไปรับประทานอาหารก็พุทโธพุทโธไปทําความสะอาดสถานที่ก็พุทโธพุทโธไป ล้างถ้วยล้างชามก็พุโทโธไปพอไม่มีภารกิจต้องทําแล้วก็มานั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธมานั่งสมาธิถ้านั่งแล้วเจ็บรู้สึกนั่งทนไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเดินเดินก็พุโทโธต่อไปนั่งก็พุโทโธถ้าเรามีพุโทโธอยู่ตลอดเวลารับประกันได้ว่าต่อไปไม่ช้าก็เร็วจิตก็จะต้องสงบแน่นอนเหมือนกับการที่เราจะหยุดรถนี้ถ้าเราคอยเหยียบเบรคไปเรื่อยๆเดี๋ยวรถมันก็ต้องจอดเอง แต่ถ้าเราเหยียบแล้วเราปล่อยเบรถมันก็จะไม่มันก็จะไม่หยุดได้อันในถ้าเราไม่พูดโธอย่างต่อเ น, นื่องเราพูดโธแค่คำสองคาแล้วก็หยุดพุดโธพอเราหยุดพุดโธเพราะจิตมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วถ้าปล่อยให้มันคิดเดี๋ยวมันก็เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วทำไปทำมาเดี๋ยวก็จะต้องอยู่วัดอยู่วัดไม่ได้ย่งต้องข อ, อกลับบ้า น, น, นเพราะความอยากอยากจะไปหาความสุขที่เราเคยได้เสียท่ะอยู่ที่บ้าน การภาวนาก็จะล้มเหลวได้ น, นี่คือเคล็ดลับของการที่เราจะบำเพ็ญจิตตภาวนาที่เป็นบุญขั้นสูงสุดนี้เราต้องมีความสามารถมีความกล้าหาญที่จะรักษาศีลแปดแล้วมีความกล้าที่จะไปอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกอย่าอยู่กับบ้านที่บ้านมันมีแต่ความสุขมาคอยหลอกล่อใจเราอยู่เรื่อยๆความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปอยู่วัดไปปีกวิเวก แล้วก็ไปฝึกสติไปยามสติพุโทโธพุโทโธถ้าที่วัดเขามีกิจกรรมก็ไปทํากันถ้าให้ไปไหว้พระสวดมนต์ก็ไปไหว้พระสวด น, นไปนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิไปฟังเทศน์ฟังธรรก็ไปฟังธรรมกันอันนี้วิธีเป็นการทําบุญต่างๆที่จะทําให้ใจของเรามีความสุขมีความสงบที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกขจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่ก็คือเรื่องราวของบุญที่เอามาฝากท่านในวันนี้ ยังไม่ได้ครบสิบข้อที่ได้พูดมาก็คือบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องบุญที่เกิดจากการทำบุญทำทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการภาวนายังมีบุญอย่างอื่นที่บุญที่เกิดจากการอุทิศบุญเวลาทำบุญเสร็จนี้เราอุทิศบุญให้กับผู้ที่รวรับไปได้ บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญเวลาใครทําบุญเราก็ไปร่วมทําบุญกับเขาเรียกว่าอนุโมทนาไปช่วยเหลือเขาแล้วไปสนับสนุนเขาแล้วบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นบุญเห็นใครเขาเดือดร้อนสงเคราะห์เขาบางคนเห็นคนยากจนเดินข้างถนนก็จอดรถเอาเงินแจกให้เขาสงสารเขาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทําบุญเหมือนกัน นี่คือวิธีการทำบุญต่างๆในพระพุทธศาสนาที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนายะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาลังเอวเมวะอิตทินนางเปตานาอุ ป, ปกัปติ เอจิตังปฏทถิตามตุมหังคิเมวะสมิจชาตุสัพเพปุเรหตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสักติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมเตภวัตวันตาายุสุขีติขายุโกภวะ อาพิวาธานสีลิกสะนิจจังวุธาปจายโนจตารธรรมาวะานติอายุวโนโสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถา ม, ถา ม, ถา ม, ถามอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยแต่วันนี้อาจจะมี คำถามจากชาวต่างชาติมากเลยทางภาษาไทยก็อาจจะต้องขอเลื่อนไปก่อนแต่ดูเวลาก่อนก็แล้วแตตอนนี้มีผู้ติด ต, ตามน้องหมดเท่าไรตอนนี้มีผู้ติดตามทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติ สี่ร้อยสามสิบสี่ท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติไร้สามร้อยห้าสิบสองท่านทาง y o u t u ด e อกตอรวีห้าสิบสี่ท่านทางวิทยุออนไลน์หกท่านกราฟเฮา์เจ็ดท่านแล้วก็ผู้รับฟังหน้ากุฏิสองร้อยเจ็ดสิบท่านครับรวมทั้งหมดหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามท่านครับ วันนี้เวลาก็หมดพอดีต้องขออภัยท่านที่ถามกองถามในวันนี้ด้วยด้วยจะเก็บไว้เผื่อวันหน้าไม่มีคําถามนี่ยังไงก็ก็ไม่รู้เพราะควกนี้เข้ามักจะมาทุกวันก็ก็เห็นใจเขานะเพราะว่าเขาอยู่ไกลเขาศาสเดินทางข้ามน้าข้ามทะเลมาเพื่อมาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมก็ก็ต้องให้โอกาสเขาหน่อยหวังว่าคงจะเข้าใจกันนะทันที่ถามแล้วไม่ได้ถามก็รออากาศหน้ากขาแล้วกัน